พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าทำให้เหมาะสมกับโลกสมมุติลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันสุข ที่ส0มสบกันยายนพุทธศักราช2559้าห้าวันนี้ฟ้าฝนในวัดของเรารู้สึกว่าปลอดโปรง่งมีแดดไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกวันนี้แล้วก็หลวงพ่อได้บอกกล่าวเมื่อไม่นานหลวงพ่อได้ไปกราบเยี่ยมครวะ หลวงปู่ดงชีชมภูหลวงปู่ทุยของพวกเราท่านเรียกหลวงพ่อ น, น้องอินนะหลวงพ่อให้ความรักเคารพอยู่รู้จักกับท่านมานานแต่ตอนนี้อายุของอายุของท่านกันะปดสิบแปดปีนั้นลูกหลาน หลวงพ่อก็บท่าน88เป็นพี่หลวงพ่อ12ปีท่านก็เป็นโรคที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบแต่ขั้นก็เข้ามาโรงพยาบาลมานอนอยู่ได้คืนสองคืนวันนี้แหละจะเป็นวันผ่าตัดเป็นวันไม่ใช่ผ่าตัดแล้วเขาเรียกอะไรคว้าน เพราะท่านเป็นต่อมลูกมากก็ไม่ไมา ไ, ไม่มากอะไรหรอกแต่ท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่ทำคุณูปการให้กับประเทศชาติให้กับโรงพยาบาลมากต่อมากท่านทำแบบเงียบท่านทำลักษณะปิดทองหลังพระลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ท่านก็ได้ทำให้ที่ไหน หลายๆแห่งแต่มาคราวนี้ทั้งก็ป่วยก็มาที่เพรโรงพยาบาลศรีนครินวันนี้เราจะไดพาตัดหลวงพ่อก็ได้ไปสารไปทางอาจารย์หมอชูชยัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงที่ท่านเป็นหมออยู่สิริราชเป็นอาจารย์หมอาศาสตราจารย์หมอโปรฟิเซอร์ของหมอ แต่จะไม่หลวงพ่อจึงรู้เพราะว่าพี่สาวของอาจารย์มาปนนบัติคุณแม่ชีแก้วตั้งแต่นนตั้งแต่คุณหมอเพ็ญศรีมาดูแลคุณแม่นั่นนะเกินมาทุกอาทิตย์เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทีเดียวตระกูลของอาจารย์หมอคุณรัฐที่เป็นเพื่อน กับคุณหมอเป็นศรีทุกหมอเป็นศรีก็อยู่ที่บ้านที่วัดป่าบ้านห้วยสายที่วัดคุณแม่ทุกสาวันอาทิตย์ก็มีอะไรก็สั่งของขึ้นมาที่เอามาใช้ที่วัดของคุณแม่กันนาะคุณรัตน์เนี่ยแ ะ, ะพี่ชายพี่สาวของอาจารย์หมอนี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อจึงรู้จักมักคุณกับตระกูลของท่านมาเป็นสิบสิบ เป็นสิบยี่สิบปีกว่าแล้วตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตยอยู่นะสรุปแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธามาคราวนี้หลวงพ่อก็ได้ถามเพราะท่านชำนาญทางนี้นยทางไตทางทางเดินปัสสวะทางเนี่ยเกี่ยวกับไตหลวงพ่อก็ถามท่านว่าเออที่อยู่ค้นแก่นอาจารย์หมอ สองคนก็นเป็นลูกศิษย์ของผมนะที่ได้้อนรู้จักกันมาก็มีฟีมือหลวงพ่อก็เลยถ้าเป็นลักษณะนั้นคนในกลุ่มเดียวกันก็น่าจะเชิญอาจารย์หมอขึ้นมานั่งประยืนเคียงข้างเพราอจะได้ดูแลหลวงปู่ที่มีหมอที่มีความสามารถ เป็นอาจารย์หมอเป็นโปรฟิเซอร์ของหมอหลวงพ่อว่ากันนะท่านก็ลับนะพรทันล like ับการขึ Monsieur> ้นมาหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออย่างอึ้งภูมิใจที่อาจารย์หมอขึ้นมาช่วยดูแลครูบาอาจารย์ของพวกเราคิดว่าคงไม่เหลือวิสัยแต่งานก็คงจะไม่หนักหนาแต่ที่ยังไงก็ ท่านเป็นพระผู้สูงอายุผู้ทรงคุณธรรมควรจะมีทางคณะแพทย์คณะหมอควรจะให้ความใส่ใจสนใจหรือ ว, ว่าให้ความปฏิบัติต่อองค์ท่านเนี่ยจุดนี้นะที่ที่เราเองได้ยินแล้วก็พ อ, พอใจแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปนะถ้าไปก็คงจะไม่ได้พู ด, ดคุยอะไรท่านเพราะมันมาหลุมมาตุ่ม ม่แต่อยู่ข้างนอกแต่เมื่อท่านกลับวัดดงเมื่อไร่หลวงพ่อจึงจะเข้าไปกราบคารวะท่านอีกถามไทยองค์ท่านอีกทีนึงอันนี้ก็คือการเจ็บไข้ใดป่วยนะคะ้าทารยโยมไม่ว่าอยู่ในระดับไหนเรื่องร่างกายสังขารรูปคือร่างกายเวทนา มันก็เกิดจากร่างกายสัญญาคือความจาได้หมายรู้สังขารคือความปรงแต่งวิญญาณคือความระบรู้หรือว่าขันห้าดูในร่างกายของเราแต่เมื่อร่างกายของเราขันห้าตัวนีน้ถึงจะทะนทะนอมเลี้ยงดูดีขนาดไหนมันก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอร่างกาย ถึงจะให้อาหารการบริโภคผ้านุ่งหมยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนมันก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอแต่ถึงยังไงเราต้องให้รู้เอาไว้จุดนีนะ้เราต้องแบ่งแยกให้ออกแต่บางคนเขาว่าปล่อยวางปล่อยวางคำนี้นะก็สุดในใจ ตามไม่จริงมันต้องแยกให้ออกว่าเรื่องปล่อยวางมันเรื่องของใจเราจะไปแบกมันก็ไม่ได้ทุกแต่เรื่องของร่างกายเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามโลกสมมติพระพุทธเจ้าคืออะไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ประารสาวกของพุทธเจ้าคืออะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราคืออะไร พ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราคืออะไรเจ้าฟ้าเจ้าเป็นทีน่เจ้าฟ้ามหากตรัดปกครองประเทศชาติคืออะไรเราต้องทำตนให้ถูกต้องอันนี้เราจะไปมองข้าวมว่าเป็นอนัตตามันเหมือนกันทั้งหมดดินน้ำลมไฟอย่างนั้นไปว่างโง่ไม่รู้จักกาเทสะไม่รู้จักสูงจักต่าอันไหนควรจะปกป้องอันไหนควรจะรักษา อันไหนควรปฏิบัติให้เป็นธรรมอย่างไรอันนี้เราต้องแยกแยะในใจของเราสรุปแล้วก็คือให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จั ก, จ, กจักการะเทศะภายนอกเนะีทำให้ดูกถูกต้องเราจะปกป้องพุทธศาสนาอย่างไรไม่ใช่ว่าปล่อยป ล, ยลันละเลยเออพระอมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ พุทธศาสนาเราต้องปกป้องอย่างหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะอย่างเนี้ยหลวงพ่อสอนใจว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางทําไมพระอหรือสัตว์หาย ญ, ญาติโยมทําไม่ถูกหลวงพ่อเนี่ยทำไมโกรธจึงเป็นเป็นฟืนเป็นไฟด่าเอาจนไม่มีชิ้นดีเลยเพอ้อเพ้ออออกจากวัดได้ออกจากวัดยังด่าอีกไปชุบพร้อม ก, อกันอีกปั่นามอกีกฮทําไมหลวงพ่ออินจึงไม่ปล่อยไม่วาง น่ะอันนี้ก็คือเราถือว่าพุทธศาสนาไม่ใช่รถพุทธศาสนาของหลวงพ่ออินอพวกเราเข้ามาพึ่งร่มเงาของพระพุทธศาสนาพวกเราต้องปกป้องอคุ้มครองช่วยการรักษาศาสนาศาสนาเพือจะเปรียบเทียบอีกอย่างเหมือนกับเหมือนกับร่มไม้ใหญ่ต้นไม้ให้ความร่มเย็นอย่างศาลาหลังนี้ละ่ะ อ่ามันขึ้นมาแล้วก็เป็นที่พักพาอาศัยแต่มีคนโกโลโกโซขึ้นมามาทำร้ายทำร้ายสาลารเราก็ต้องลุมกันอ่จับหรือว่าลงโทษแก่ผู้มากระทําทำได้ยังไงอันนี้ศาลาเป็นที่พักพาอาศัยของคนหรือเป็นแหล่งน้ําที่ใสสะอาดเป็นที่อยู่กินของคนทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นที่ยอมรับกันวันนี้น้ําใสสะอาด ทานดื่มทานเข้าไปแล้วแก่โรคภัยห า, ายาหิวกระหายกระหายน้ำเป็นน้ำจืดสด็ เ, เป็นน้ำที่ดีมากเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้ า, าใครใครก่อนน่หวังพึ่งพาอาศัยน้ำมาแล้วก็ทั้งตักทั้งดื่มไม่มีหมดมีสิ้นเอาไปเกิดไปใช้เกิดประโยชน์แต่คนหนึ่งบ้าบ้อง ขนาดป่อดน้ำเอาตีนมาแช่เอาตีนมาจุ่มามาถุยทำลายอะไรใส่้พวกเราที่ดูแลพวกใช้น้ำอยู่ถึงใครทาให้มีใคร เ, เห็นก็ตามแค่พูดที่หวังดีฝังประโยชน์ต่อส่วนส่วนรวมก็ต้องปกป้องเอ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงน้ำในเป็นน้ำสาธารณะเกิดประโยชน์ต่อ ปวงประชาทุกหมู่เราเราจะไปทำแบบโง่ๆนี้ได้ยังไงเราจะไปทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้มันต้องปกป้องนี่แหละอันนี้คือเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้หวังดีไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำเลยเฉยหน้าที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่หน้าที่อันนั้นแปลว่าบ่อหลุมมางโง่รู้ว ง, งโง่อย่างมากๆไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้เห็นไม่เห็นคุณค่าใน สิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั้นนี่แหละอันนี้แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายหลวงปู่มัน่นหลวงตาก็ดีหลวงครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษาปฏิบัติมา เ, เวลามีพระหรือใครก็ตามทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจะท่านดุดา ว, าาว่าเก่าหัวฟัดหเวเพียงรมกับกิเลสดุดา ว, าาว่าเก่าเหมือนกับ ส, ส, สวมหน้ากาก เป็นยักษ์อย่างลั ก, ลกษณะอย่างนั้นหละแต่ใจของท่านเน่ยเป็นเทวดาเป็นพรหมนะอยู่ในพรห ม, มวิหารสี่ในใจของท่านแต่ว่ากับกิริยาของท่านแสดงออกมาเนะี่ยเป็นทศกันที่เดียวละ่ะเพราะอะไรเพราะการการะทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมท่านก็ต้องปกป้องสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันเป็นธรรมนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือ แนวแถวของทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกภายนอกเนี่ยพวกเราต้องเป็นหูเป็นตาปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องวัดวาศาสนาป ก, ปกป้องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเ่เราจะไปทำร้ายทำลายซะเองเสิ่งไหนที่มันดีถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยถ้าเรารักษาไว คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วนะลูกหลานของเราเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเขาก็ได้ศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วเขาก็นําไปประพฤติปฏิบัติโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นถุกกันนานเท่านานแต่ถ้าเหาบอกพวกเราเอ่อมีแต่เอาตัวรอดอหน้าที่ไม่ใช่ฆ่าฆ่าไม่ใช่หน้าที่เท่านั้นเองเพียงแค่คิดแบบเอาตัวรอดแบบนั้นน่ะมันเอาตัวไม่รอดนะปนที่สุดก็นั้นแหละ คนที่สูขกนักเลงหรือว่าคนที่มันเลวน่นมันจะทำร้ายทำลายเราอีกเพราะอะไรเพราะคนชั่วมากกว่าคนดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละทางนอกเราก็ทำทำให้ถูกต้องมิใช่ว่าทำใครทำอะไรก็เฉยมันไม่ใช่นะเราต้องดูปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องปกป้องวัดวาศาสานา ปกป้องคนดีปกป้องสิ่งที่จะเกิดประโยชน์อันไหนที่เกินประโยชน์เราพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วอันนี้คือเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเราคนนั้นทุ่มเทช่วยในจุดนั้นแต่เมื่อเราจะช่วยได้แต่เมื่อเราช่วยไม่ได้ บางทีมันเกินกําลังของเราเราตองพิจารณาอีกเราอยากจะช่วยเต็มที่อยู่พักดันเต็มที่แต่ว่ามันไปไม่ได้กําลังของเราไม่พอถ้าคืนทําต่อไปเราก็คงจะเพียงพํามอันตรายเพราะว่ามันเกินฐานะเกินกําลังของเราแล้วนี่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องรู้จักอีกเหมือนกันต้องเราต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่ากําลังขนาดหนึ่งยังไปดันกลางจังกลางจั ง, จ ง, จงอยู่ทั้งที่โลกทั้งโลกก็เป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องอไม่ปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าท่านจึงปล่อยพูดว่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานัมอยู่ในจิตใจแต่เราจะไปปรับมาอุเบกขาทีเดียวก็ไม่ถูกต้อง เออมันต้องการุณามุทิตามันต้องมีเหล่านั้นซะก่อนช่วยเต็มที่ซะก่อนในเมื่อมันจุดวิสัยหมดกำลังเราไม่สามารถที่จะทำได้อันนั้นก็มันก็อีกส่วนหนึ่งตี่นี่มาพูดถึงด้านจิตใจอีกเหมือนกันเลยถึงเราจะทำข้างนอกให้ดีขนาดไหนก็เถอดแต่ข้างในของเราไม่รู้จกัจกปล่อยวางเออ พอทได้ขึ้นมาก็พุมใจฟุมงเฟ้อเหอะเหอมอยู่งั้นล่ข้าไปเจ้าเป็นผู้เก่งผู้กล้าเป็นผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในจั ก, กรวาลในสู้ข่าไม่ได้สักคนข้าในเหนือกว่าใครหมดยกย่องตนเองอยู่นั้นนะไม่รู้จักแต่อีกสักวันเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาถึงรู้ว่าจิตใจของเราเนี่ย ไม่รู้จักปล่อยวางคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตนของเราอยู่ตลอดทุกได้ทนีม่มันไปนยึดถือสิ่งเหล่านั้นทุกเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะนะถึงเราจะประกอบคุณงามความดีมากมายมหาศาลท่วมทน้นล้นเหลือประมาณยังไงก็ตามนะแต่มาถึงจุดหนึ่งของเรานะเราต้องปล่อยวางในใจ ร่างกายสังขารเป็นอนิจจังนะให้รู้เอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํำเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งทั้งหมดเสิ่งไห้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาตาหูจมูกลิน้นกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังนะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดตัวของเราแท้ๆจะไม่ใช่เราแล้วคนอื่นล่ะ สิ่งอื่นล่ะเราจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรายมันไม่ถูกนะ้าใจนะก็ใจทําความเข้าใจกับตันเองใจทําความเข้าใจใจออรู้ในใจของเราเนี่ยแหละในเมื่อเราพิจารณาถึงตัวของเราแล้วนะมันปล่อยอยู่ที่ใจนะกนัต ถ, ถา ย, ยาจมลูกลานทุกองนะแต่ข้างนอกเราก็ต้องทําอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อหมู่ต่อคณะของเราเราอย่าปล่อยปะละเลย เ, เราต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันทําต้องช่วยกันพัฒนาทําให้ดีที่สุดปกป้องอันไหนที่จะเสียหายชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ต้องปกป้องช่วยกันปกป้องดูแลให้ดีที่สดุดภายนอกอันนั้นคือสมมุติโลกสมมุติ เราต้องทำให้ถูกตอกถูกต้องกับโลกสมมติแต่โลกวิมุดในใจของเราวิมุค็คือความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางอันนั้นเราก็ต้องมาหนังภาวนา ด, ดูใจของเราอีกถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะน่าใจนะอีกสักวันหนึ่งนะะจะต้องทอดทิ้งทั้งหมดมันมันไม่ใช่ของเราหรอกมันไม่ใช่ของเทียงแท้แน่นอน เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์นะใจนะมาทําความเข้าใจกับใจของตนเองอีกต่างหากนั่นแนหะปล่อยวางกระทั่งใจอีกต่างหากนั่นละมรรคนิพพานหรือว่าทําคําสอนของพระพุทธเจ้าทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านให้พิจารณาอย่างนี้นะะ็นัตถายาตโยมต้องแยกแยะนะอไม่ใช่ว่าเถียนตรงพูดยังไงก็ไปอย่างนั้นไม่ใช่ ต้องแยกออกอันนั้นคือสมมุติคือโลกสมมุติโลกวิมุตติคือคือโลกวิมุตติวิมุตติคือพยายามทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสราคะโทสะโมหะปล่อยวางถึงพระนิพ่านอันนี้ก็คือวิมุตติแต่สมมุติเมื่อเราอยู่ในโลกสมมุติเราก็ต้องถูกอันนี้คือพ่ออันนี้คือแม่อันนี้คือครูบาอาจารย์อันนี้หมุมิตรสหายอันนี้มีสูงอันนี้มีต่ํา อันนี้วัดฟ า, าศาสนาอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธอันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกน ะ, ะสมมุติเราต้องอยู่ในโลกสมมติต้องทำให้ถูกต้องถ้าเราไม่ถูกทำให้ถูกต้องกับโลกสมมุติจะอยู่ลำบากน ะ, ะปริปราสาตีเสมอไปเรื่อยไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่อมองเห็นใครแล้วนะองค์นี้ใหม่มีศีลองค์นั้นไหม่มีธรรม องนั่นเป็นยังไงค์นี้เป็นตัวเองเราเป็นยังไงฮะเป็นเทวดาใช่ไหมหรือเป็นขี้ฮะเป็นขี้แลกกิโลขี้โกรธขี้หลงใช่ไฮะเรียกว่าเป็นใครอันนี้มันต้องมองตนเองอีกเหมือนกันเราจะไปมองคนอื่นว่าเป็นคนเลวทีเดียวใจของเรามันเลวเสก่อนมันจะไปมองคนอื่นเป็นเรื่องเลวไปเป็นคนชั่วไปเป็นคนไม่ดีไปเพราะใจของเราเป็นมันเลวมันชั่วอมันออกไปจากใจของเรานั่นแหะ อพอ้นั้นให้มองใจของเราถ้าคนใครจะเลวยังไงก็ตามตัวเองให้เป็นเทวดาเป็นคนดีจะไม่เลิศประเสริฐกว่าเหลอนะอถึงใครจะเป็นคนเลวก็เถอะในจักรวาลไส้เดือนก็มีตัวบุ่งก็มีปิงก็มีงูจงอางงูเห่าก็มีมันมีครบทุกอย่างแต่เราจะไปตั้งตำหนิเขาทั้งวีทั้งวันอย่างนั้นนะ มึงทำไมเป็นงูจงอางมึงทำไมเป็นงูเหา่ามึงทําไมเป็นไส้เดือนมึงทําไมเป็นปลิงเออเปไล่อย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่บ้าไม่ใช่โง่เราจะว่าอะไรไอ้อันนี้เราก็รู้ว่าโลกสมมุต no ิคืออะไรมันเป็นอย่างไรโลกมันเป็นอยู่อย่างงั้นใจของเราคืออะไรมันต้องมมองใจของตนเองอีกต่างหากนั่นแหละมันพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แก้ที่อื่นนะไม่ให้แก้ที่ปลิงที่ลิงที่ข้างบางชนีดนะท่านให้แก้ที่ใจของพวกเรา เราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเราเป็นสัมมาทิฏฐิเรารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางถูกต้องตามหลักธรรมคำสองสอนของพุท ธ, ธะหละอย่างปฏิบัติถูกต้องหละอย่างดีงามหละอย่างสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมองดูตนเองโอปัญญยโกยอยู่ตลอด น, ะนั่นแหละจะไม่หลงโลกหลงทางนะคณะทัตไทญาติโยมพระเนลูกรานนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสาหรับพวกเรา ทุกททานเอาต่อเนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรระพรุ่นี้ีนะ